ตัวราความลู่เจะเห็นอะไรหลายอย่าง <c oughs> เห็นความหลง <c oughs> เห็นความลู <c oughs> เห็นความิดความถก <c oughs> เห็นความถ <c oughs> ความเห็นายเห็นใจเห็นมันติด ม, มีตัวลู่ออก <c oughs> ไปเห็นสิ่งใด <c oughs> สงนั้นก็จะ ปเป็นตัวสติตัวปัญญาสติมันจะจริงกล้าปัญญาเฉลี่คมก็พอกันปร ะ, ประสบพบเห็นบ่อยๆแล้วึงพยายามที่จะสร้างภาวะตัวลู้ไว้เป็นทุนให้มันเป็นทุนเพื่อตั้งหลักมันก็นหลับมันก็นสถาบัน ความรู้เน่เป็นสถาบันเป็นหลักแต่ว่าตาสุะโตสถาบันสติปัญญาไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างไม่ใช่รั่วของสถาบันอะไรคือเรามีหลักเรามีหลักคือความรู้สึกตัวอะไรมาเราก็จะเห็น รู้จุตัวในแปลสภาพไปเป็นสินเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นญาณเป็นมาเป็นผลเป็นนดแต่ความหลงก็บลอยทางต่ำไม่จบไม่สิ้นแต่ความรู้จุดตัวนีนจบเป็นอะไรก็จบต้องนั้นจบต้องนั้นที่เอาที่เอา คือความคิดนี่คือเวทนานี่คืออะไรก็สลบสลบเฉลยเลยไปพอเลยไม่มีพละเห็นสิ u, at, ส่งไหนเกิดป <test en> ัญญาประสบการบทเรียนเราจึงพยายามเรียนพยายามสร้างความรู้แต้มันรู้อยู่พยายามรู้แต่ไม่มีตัวรูกเป็นหลัก มันก็ไม่มีหลักอะไรมันก็เข้ารีบมันก็นุนลอยพัดไปสบไปเยงพวกเราในรูปแบบของการปฏิบัติเดินจงกมตามจังหวะป <c oughs> เจตนาที่จะรู้อยู่มันก็ปักลงไปการปักก็เื็นนิมิตที่เราสร้างเป็นรูปแบบ บางเราจะนั่งยกมือสงจังหวะบางทีเราจะเดินจงกรมรือเร่องดรือร่องหนึ่งที่เราเห็นว่ามันมีฉากที่จะต้องทําให้ความรู้มันชัดเจนแล้วก็ตั้งหับไปตรงนั้นเพื่อ <c oughs> ที่จะรู้สึกตัวรับรู้สึกตัวในวางทีอบางมุม มองชัดมันก็ไม่ชัดแล้วก็เปลี่ยนเอาเปลี่ยนให้มันชัดจะให้มันรูส้สึกจุดหมายปลายทางของเราคือความรู้สึกตัวนะจะมีเทคนิคเอาพยายามท้ให้ความรูส้สึกตัวป็นหลักอยู่แล้วลองว่าสิ่งไหนก็ทำ ไ, ได้เพรามันจบที่นี่แล้ว แต่มีตัวรู้ตัวตัวก็เหมือนการมีทุสิ่งทุกอย่างของเป็นที่เพิ่งเอาจายเราจึงสร้างการสัญรู้เรียกว่าภาวนาเวลาใดที่มันหลงไปกลับมาเรียกว่าปฏิบัติ ปล่าใดที่มันหลงไปทางไห น, ไหนอะไรมากมายทางลูกทางเจตนาทางความคิดทางสุขทางทุกข์ทางร้อนทางหนาวทางอะไรต่างๆแล้วกลับมาเป็นความรู้สึงกลับมาทิดตางเรียกว่าปฏิบัติสามกลับถ้ากลับไม่เป็นก็ไม่ใช่ปฏิบัติจะเดินจงกรมทั้งวัน สบายใจปฏิบัติถ้าไม่กลับมาเวลาอะไรที่ว่าทิศโซคุณคิดหมกมุ่นไปตกความคิดไปแล้วอนาทีสิบนาทีเป็นชั่วโมงหรือชัองวันสมไมสุดคิดในลมทิศคุณคิดทำไมมกลับไม่เป็นถ้ากลับมาเป็นก็หรือ่าเสียดคานก็ไร สนใดที่เลืจะกลับคือปฏิจะโทษตอบกลับมากาับาไปจะนอนอยู่ไปซื้อหรือว่าในความเกลียดจะนักปฏิบัติในตัวปฏิบัติจริงๆเขาอยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่จะมาหอมเดินจงกรมไปอยู่กับคองคุ้นชิดนั่งอยู่กับความคุ้นชิ ด, นนชดหรือกับความ วางง่วงเนาะนอนก็ยังไม่ถูกทันทีถูกกลับมาตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวเนี้ยนี่ตัวสถาบันของพวกเราเราลองว่าหนักแน่นมั่นคงไม่วไหวั่นไหวประสบการณ์บทเรียนเแง่แ ย, ย่ถ้เรามีตัวรู้นะสรางตัวรู้เอาไว้ถ้าเราก็ปลุกใจด้วย มการรียนนมิตร ม, มีชาววัดมีชาวบ้านนอกจากพวกเราก็มีนา้กนาการรียนนมิตการเรียนาธรรมคิดถึงผู้ถึงคนก็มีมากนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้สอนคนจริมจังว่าจังไรถับพวกเราเชาวคนธรรมเป็ตก ส่วนขงเราห้ายๆ ห, ยหรือคิดถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวจริงๆพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นอริยะสงฆ์เป็นพราหันก็มีอยู่จริงๆคิดถึงพระพุทธธรร ม, รรร พ, ราามรพระพธธรสงฆ์ที่เป็นคุณะธรรม ท, ที่อยู่ใกล้ตัวเราก็มีจริงๆไม่เปกี่ยวหลวงพ่ อ, อยังไปสั่งการไปสาร ไปเห็นล่องลอยพระพุทธเจ้าของเราเราพ่อสาวกเห็นล่องลอยแห่งศรัทธาลอยลอยการกระทำที่เกิดจากศรัทธาต่างว่าสร้างว่าสิวอาศัยเป็นลอยเห็นลอยเผยแผ่ของพระเจ้าตั้งแต่ ออกบวชทรงขนโหนแสวงหาทำความเพียรนลนมลุกคุการจันได้สัจจะลูกการวางตัดจะลูกแล้ววางการเผยแผ่สิ่งที่พระองค์รู้สอนนั่งค้ายๆเาว่าสร้างบารมี <c oughs> แต่จะรู้ว่าม่ยังงย่งนมแล้วก็มา <c oughs> เซเว่นของใหม่ด้วยแวขึ้นในหมู่ศาสนาต่างๆเป็นร้อยเป็นพันลัทธิศาสนาแม่แต่พระองค์ก็อยู่ในทางศาสนาพามวันหน้าก็ยึด ม, มันมากวกเราไม่ยากขนาดนั้น ไปไหนไมีแต่มูทักวิทย์าวบ้านก็มานั่งจะร้อนอยู่กับพวกเรานงขาวหอมขาวให้โอกาสไปกินธรรบาทก็ใส่ข้าวให้สังกวนเจ้าเวกขึ้นมาบางทีก็ว่าจันไหลัโคลนผมวันน้าพรางก็ไม่ต้องโคลนผมนะเจ้าของเราโคลนผมเอ้โหล้น ไม่มีตะแทรงเล็นะต่ <c oughs> ดินทะบะในหม้อดินหม้อเหล็กนอนวางแผนที่จะเแผแพ่สูญขยิแต่ไม่ไปหัวเราป่อยรัวดลาร้ราสีสาวตีโก้สมที อาจากกมินุพ uh. ันใส่ถงหกปีเ็ดปีถือเสียงดงดังสารคายบทพุทธชินาโดลดออกบทเผยแท่ศาสนาเผยแท่ความจริง่สัจติวิหาลกันเทวสิในเหล่าภาษาบทเกิดพุทธบริษัทพิจุพิจุนีอุบาจกวาสิตา ตรงดำพระเจ้าสุโธชนะทนไม่ไหวแต่ก่อนก็อาหายัยคนแล้วก็เสียนหน้าด้วยทิฏมาพอพระรุษธาจาของเราเผยแทร่ปตอราละงานพระเจ้าสุโธะนะการกระทำของพระุษธาจ้าเพื่อจะให้ญาติที่เป็นทิฏมา น, นะลดลงก็มุ่งตรงนั้นะ ที่ไม่ไปสวินลพัทก็มุ่งสู่ให้หายประโยชน์ให้ลดทิฐิเพราะว่าตัะกูลของพระเจ้าเป็นกษัตริย์มาตั้งชั่วหลายโคตรกษัตรย์สามแสบสูงจะประมาณสักเกบปีเนึ่งจะกลับไปเพราะว่าก่อนก่อนออกปวดลาหุ่นึ <c oughs> ่งเกิดใหม่ ตอนรองขนก็ติดตัวติดตามมามาบดเป็นเนเป็นคนแรกเนรองแรกอายุเก็ดขวบพระเจ้าสุโธชนากดทนไม่ไหวอ่อนลงก็ให้อมมาดอาไมม น, มนพระเจ้ากับองค์กรวินลพัใไปเห็นหน้าไปดูไปบอกไปสอนว่าก็ใช่ออมมาดห้าหกคน ไปไปก็ไม่กลับเลยบวชทันทีไปไปส่งอมตะไปคนที่หนึง่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่ห ก, หกไม่เห็นกลับสักคนรลยจีแต่บวชผู้เจ้าผูยิ่งหมดพยศหมดพิษลถที่ฐิมานามาคนสุดท้ายก็คือตาลูกทายีอมาะตาลูกทายี ไี้รืของจีนที่เราศึกษายเป็นสมบัติของจริงพุทธชาสตร์สลังของเราการุธายีเนี่ยคือเป็นศารชาติกับพุทธศาสตของเราเกิดวันเดียวกันมีอยู่การุธายีสิมพาล า, า, าหูตาอามากันทะกะแล้วก็อะไร าการุตายีมาคันทกะนะสี่เดียวปวดตาสี่พับปวตาไนะมาคันทกะการุตายีพิมพาได้ฉันทะฉันาันนาไอ้สี่สี่คนเนี่ยสีชาเลวสหชาติเกิดวันเดียวกันตูเจ้าไปไหวป้า เจ้าจตัวธนาเอาไปในไปไหวในพระราชวังเลี้ยงใส่กันก็เห็นแต่การุษทา ย, ยีเนี่ยที่เป็นเพื่อนสนิทกับปุริจาสั่งให้การุษทา ย, ยีไปไปในมนฑลหุ่นเจ้ากลับมาบ้าน <c oughs> การุษชายีสําหรับก็ลาบวชยังไม่ได้ไปถึงสุชาติเพราลาบวช ลาพระเจ้าจุดโทษชะขอลาบวยยังไม่เห็นพรนะเจ้าะแต่ว่าขอลาพระเจ้าจุดโทษะพอปวดแต่พยายามที่จะเอามาให้ได้อะไรไปเขาปวดเลยนะล่ะปวดเราก็พยายามไดโอกาสที่ไหนสักโลถึงพระเจ้าจุดโทษนะพระองค์เป็นทุก ให้พระบุตรเจ้ากลับไปเยี่ยมไปได้เหตเป็นเป็นความผูกพันระหว่างพ่อกับลกูกจริงมีสีลธรรมในบวดเป็นสมณากา ส, ส, สายาปุตเป็นพระบุตรเจ้าย่ยิ่งส่วนพระเจ้าจตุรนต้อง<ม>นักใจมากราชวงสานุโงผูแต้ผูสีผูเฉพาะส่วนสัวพบัน ในสุขเ้ขาปุิจาระตกลงฝักรุงก็เป็นลพันธ์ดไม่อยานกะการไปแทนเพราะมันมนลดลงมากนะยอมรับพวกสาขยาสาธาญาตในสัจสัจทั้งหลายเ็มอนันทเม <c oughs> น, ท น, นุรุทธะอนนน พิมพิระมกุคลเทวทัตโดยหรือลาหุนประมาณหกเจ็ดคนตามมาบวชตาหุนก็บวชโลกัตว์โลกัตว์ตหนุ่มทั้งหลายก็มาบวชตามอริยชนก็ยื่งเรียกว่าคนดังออกบวชนี่เราไม่ใช่ของตนศาสรที่เราทำทำมาถึง ศาสนาที่เป็นตัวเป็นตนเรื่งจนี่เรื่สงจงแล้วก็ศาสนาที่เป็นศาสน า, าธรรมเราก็สัมผัสได้ถูกวันทุกวนักวนเราเจริญสติเป็นรู้ที่ได้หรืเปล่าเป็รู้เป็ตัวนี่เป็นศาสนาธรรมอุ้มทองเราอุ่นใจ ถ้าในคนโล่นะอุ่นอกอุ่นใ จ, นน เ, จเหมือนอยู่บ้านพ่อต่หลงทีไรก็เหมือนขนพัดกลิ่นในบ้านต่โล่อุ่นใจแต่อยู่ที่ไหนก็ ต, ตามมันคงไม่หวนไหวเนี่ยเราจะมาสร้างตัวเนี้ยเป็นกอบเป็นกำไม่ใช่เหลวไหลมาสร้างตัวรู้ตัวเนี้ยคนโล่นสิบตัวสร้างเอาสร้างได้ เราเลือตัวอย่าไปคิดว่าใครมาหลอกหรอ ก, กเราหลายชีวิตมีอาจารย์ขัติสรุองจ้าสารน่อาจารย์นันนันทเป็นด็อกเตอร์สอนอยู่ที่หมหาลัยไม่เห็นตอนอาจารย์หลายคนมีคุณหมอนายแพทย์สวยายคนไม่ได้หลอกเราหลอกมามาดู หมามาเจริญสติมั่งดูสิสถานที่ของเราก็พออยู่ได้ไม่หลุล้าไม่ฟุ่มเฟื่องนะไม่ขัดเครื่องนะพออยู่กันาะรู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่รู้สึกมันเป็นยังไงหลงมไม่หลงให้ตอบเราตอบเวลาใดมันหลงเราเราู้สึกตัวเป็นยังไงผมหลงหมดไปไหมเออหมดไปจริงๆ ตัว้ที่ไฟืน้นฟื้ขึ้นมาสู่ปกติรู่ตัวนวัตสรตัวนี้กันแต่เราก็จําเป็นนะแบ่งปันกันไม่ได้ต้องตัวใครตัวเราสร้างเอาต้องสร้างเอาให้เป็นกรอบเป็นกำรรขึ้นมาคลกมือซึ้นคนรู้เอารู้เอารู้เอารูเา้เอาใครข ย, ยันคนนั่นก็ได้มากใครไม่ข ย, ยันคนนั่นก็ได้น้อยหรือไม่ได้เลย โดยจารย์ผูสตตส้สัตว์เลยพะพุทโตพรตพุทธเจสาสัตสุขพหชาคาโลพระลังวสีทัสโยาติจุมเมทัสโผู้ใด ไ, ไม่ส ม, มาธิในเมื่อผู้อื่นสมาธิตื่นยูในเมื่อผู้อื่นหลับย่อมลกคนโง่ไกลๆวันม่ามีสีเทาดีละมานที่ไม่มีกำลัง อาจจะไกลกันคนเละบ้านคนละโยชนตอนนี้กําลังมีฝีเท่านี่มันเดินมันวิ่งไวกว่ารีบของเราเท่านั้นเองรากป็นหนังเราก็ทำได้ตอนที่จะไปจะไปเอาการเดินนานๆ น, นอยากไปนั่งนานๆหลักของเราคือความรู้สึบตัวนี่เปหลทุกกรษีพุธสามารถทําได้ความรู้สึกตัว ยิ่พวกเราได้ ร, รูปแบบมายกมือสร้างจังหวะก็ยิ่งสนัสนุสนเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้รู้ได้ดีกว่าเพียงพอเพียงพอต่อการกระตุ้นที่จะเกิดความรู้สึกตัวอารมณ์หายใจตอนที่มันอาจจะหลงหรือมันจะหลับหรือมันจะเป็นความสงบไปสักอะไรรู้ เราจงมาสร้างตัวนี้กันเป็นเพื่อนกันอยู่คนเดียวมันก็อยู่กับมิตรมันก็อยู่กับพระพุทธเจ้ามันก็อยู่กับเร า, า, าพระสาวกหนุนวีรันเจ้ากรมหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าลองร้อยพรุทธเจ้าเดินจ้กรมอยู่ที่พุทธคยาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใน อ, อีสิปตะนามือข้าราชการก็มีทางเดินจงกรมมีทางเดินจงกรมมกกันว่าสมัย่อนพระเจ้ า, าพระสาพกมันจะเดินมาเราเนี่ยเดินไปเดินมามันจัดฉันบางทีมันชง่างามบังทีเดินไปเดินไปอยากให้แม่มันมันดู อยาให้พ่อแม่มันดูอยากจะชวนพ่อม่แม่มันเดินจงกรมเสียงข้างกันแต่พ่อก็ะตายไปแล้วแล้วก็มาสอนเวลาเดินจะกรมมาสอนแม่เดินจงกรมด้วยเอากยกยุคลาชาด้วยนะแม่เพื่อนแม่เพือนไปปฏิรัติำทั้งหมดบังคับเลย้ครๆก็บังคับแม่อนะ่ะไปยุยงเสรียุคลาชา วัดบ้านน้องแก ย, ยังไม่เหมาะที่จะเข้าไปอยู่ตำหนักทำไมก่อนน ะ, ะตื่นหือเปล่าับมาบ้านชวนเน่ไปเดินจงกรมที่ป่าชาให้แม่นอนในศาลาทั้งพ่อก็ น, นอนไปลมเที่ยวเพื่อว่าให้แม่ได้อุ่นใจจะมาเดินจงกรมให้แม่นอนแม่นอนก็เดินถ้าแี่ยังไม่หลับก็จะแม่นอน ปวดแม่จะปวดเสียงแม่นอ น, นออเสียงโกนก็กอกเออแม่หลับไะเราแอบไปนอนเื่อห้อยอยังไงูถ้าเปรี่ยวกันไปเสียงแม่จะดุกระดแล้วาก็ทำตาไอ้ท่าอะไ ร, ไรให้แม่เลยปลุกใจขอชวนไปทีทเลทโอ้ยแม่ที่เคยขาดดือ้อไปนอนประสาทไปนอนจังได เจี๋คนเนสยางนะเดินจงกรมนองมันดีถ้ามีพ่อก็จะช่วนพ่อไปเดินจงกรมนี่พรพวทธเจ้าก็อาจจะคิดนี้มันกันใครก็ตา่างแต่เวลาเดินจงกรงเวลาเราน่สร้างจิตโอ้มันส่า ง, งามตุ่หัวใจน ะ, ะตืนเนะรื่อย่นควมรู้มันก็มีจริงๆ โลสัมผัสตัวคนโลที่ใดเนี่ยอุ่นใจโลสึดน ะ, ะเว ล, ล, ลไาได้มันหลงโลปักยิ่มแยมแยมใจ่รู้อะไรก็ตามมันมีหลักมันมีหลักมีสถามัน <c oughs> คนมีคติมันเป็นสถามันของชีวิตนะ <c oughs> เห็นอะไรก็อย่างองศาสาหารเจลเกล ก, ก ส, าาสังหารศีลตลอดเวลา ให้วันไหวไม่ฟูๆแฝบๆแบบมันเป็นสถามวันมั่นคงที ท, ทีวันทีนาทีทีวินาทีมันก็ไม่วันไหวแต่ ม, มั่นคงอยู่เนี่ยสิ่งที่เราทําไมไ่เป็นของศูนย์ปล่เราปรึกเราหัดใจพองเราสวยโวยเองหน้าที่ของเรา การกระทาเป็นเป็นเรื่องของเราเแต่เรื่องคำสอนในคำสอนต่างๆไม่มากกระบวาการกมีหลาย <c oughs> และวกเราก็อยู่ด <c oughs> ้วยกันก็อา่นานปฏิญาพูดโชว์บรรพักไม่เป็นของศูนย์เปล่ารับผิดชอบการสร้างสติตมียู่้ี แหลงหายอย่างปเปิดเผยจริงๆพอเราก็ทำลงไปอันนี้หลวงพ่อพวจะริโน่นไปสอนทาที่บ้านโนโ น, โนุ่นน้นกันน่นักพระมาประชุมกันที่น่ะอ่ะอะ